ขาวรรษาก็จวนเปียนมาทุกวันยังอีกสี่วันกับขาวพรรษาข่าวพรรษาโดยส่วนใหญ่ก็มีคนไปนู่นมานี้อยู่บ่อยก็คือว่าเิศกาเขาภพรรษาทำบัดทำว่างจูอาจารย์สารวะตรสานีบัดต่างๆมาอยากมานอกจากนั้นก็ผู้คน หรือว่าหน้าพรษาเป็นการสมัยคนมาจาังสืบคนทำกันเป็นใหญ่ฉะนั้นพวกชาเนลในวัดในวาของเราถึงตั่งใจปฏิบัติกันหละคนมาก็ดูแลเขาตามหน้าที่แต่ <c oughs> ปล่อยป่าล่าเลยคนนั้นคนนี้จะทำเอาตีน้ำข่าอะไรเข้ามาเขาก็ไปซาไปจะได้ดื่มที่ไหนเราไป้องจัดให้ เขาเป็นการปฏิสันฐานหยือยาเมลย่ า, า, าทุกอย่างคนมาเขาเอาหูเอาตาเอาใจมาเขาใจต้องมาดูแลทุกอย่างและนัดปฏิบัติทางกานปฏิบัติกันแบบไหนเขาใจะใส่จริงจังหรือไม่ถ้ามาเห็นพวกเราถึงเขาสมมติว่าเป็นพระกรรมฐาน ไม่มีข้อวัดปฏิบัติอะไรมีแต่คุยกันนอนเล่นเดินไปตามเลืออย่างนั้นมันขายจีนักครูบาอาจารย์ขายภาษาศาสนาฉะนั้นการสี่คนมาสิาริยามารยาททุกอย่างเราต้องสังวรรักษาตลอดถึงการพูดคุยก็พูดคุยกันอย่าส่งเสียงดังไม่จำเป็นอย่าไปพูดคุยกันมีธุรละ จะไปหากันถามกันไปได้แต่เชื่อว่าจะได้คุยกันเป็นนิดไม่ใช่จิตของพระพุทธศาสนาเพราะทุกคนต่างหน้่มาตัวพิษปฏิบัติไม่ใช่มาเล่นมาคุยขพทุกคนจงสนใจในตนว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่ทำจิตของตัวให้กังวลหวุนวายไม่สงบสบายจ่องดู จิตใจของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาดูอารมณ์สัญญาที่มันกรุงมันคิดมันเกิดขึ้นจากจิตจากใจของตัวนี่คือการปฏิบัติคือรักษาเอาสติจดจ่อต่อจิตของตัวจิตจิตรุงต่างๆในเอาใจใส่ในเรื่องตัวของตัวแล้ว มีใจคิดอารมณ์อันอื่นยุ่งเหยิงอยู่เรื่อยๆพอมานัง่งภาวนาหรือส่าทางจงกรมจึงจะกำหนดเอามันไม่ทันกัะเรื่องกิเลสตัณหาเมื่อมันไม่ทันมันก็หลากเราไปดึงเราไปูฝ่ายตีต่ำ ท, ที่ชั่วฉะนั้นการปฏิบัติมุ่งมั่นเพื่อพระนิพพานจริงจังตรงตัง้ตงใจจริงจังจึงจะเป็นไปได้ การปฏิบัติเพื่อนิพพานกับการปฏิบัติเพื่อละมันผิดกันการปฏิบัติเพื่อละไปจบไปแจ้งเอาใจคนนั้นเอาใจคนนี้เพื่อเขาไม่ยอมยินดีแต่ล ะ, ะตักรละแต่การปฏิบัติเพื่อนิพพานไม่ปฏิบัติแบบนั้นปฏิบัติเพื่อทําคือตั้งใจอยู่ในอดในธรรมไม่ขุกขีกัน ปฏิบัติเรื่งของศาสนาพระผู้ปฏิบัตินับบันลอยหลอลงไปไม่ว่าวาดดัดใดตัวเองก็ลอยหลอลงไม่ว่าจะคนอื่นถ้าเราไม่ลื้อฟื้นเรื่องการปฏิบัติผม่นสาวบัณฑ์ใจจะมาลื้อฟื้นเรื่องของศาสนาไป สถานที่ใดๆมีแต่การก่สอสร้างเรือทะเลิกเย า, าคุยกันแต่ด้านเงินด้านทองด่านเข่าด้านขวางมื่อเคยคุยกันเรื่องจิตเรื่องใจว่ามันเป็นไปแบบไหนถ้ามันเป็นแบบนั้นพศแสดงว่าฮะนักปฏิบัติไม่ได้สนใจในอัตธรมสนใจเรื่องโลกเรื่องนอกจึงอย่าโยนเข้าก่อนแสวงหากันอยู่ เลยหน่อยมีอาจมีทําในจิตในใจกาปรปฏิบัติเพียควรเอาใจใส่พื่นฟูดูแลจิตใจของตัวก <c oughs> ิเลสมันหรือไม่เด็หาการหาเวลาเวลามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ทุกการทุกระยะทุกเวลาตาเห็นมันก็เกิดหูได้ยินมันก็เกิดใจคิดมันก่อเกิดทำเองต้องวอนลักษาเอาไว้ นี่คือใจของปุ้ทุชนธรรมดาตาข่อยอากเห็นเห็นแล้วก็ชอบใจติดใจอ่าเป็นสิ่งผิดควรชอบควรติดใจใช่ไหมเป็นสิ่งที่ยินดีนี่เป็นสิ่งที่ชอบใจมันก็เกิดความไม่พอใจหัดเชียงขึ้นมาในเรื่องรูปหนึ่งนั้นเสียงก็เหมือนกันเราต้องระวังทั้งวรการทั้งวรระวัง อินทรีสังวรคือสังวรตาหูจมูกเลีย้ยกายใจพ้องตัวนี้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นอินทรีคือความเต็นใหญ่สังวรเอาไว้เชื่อมให้หลงไปในรูปที่ตัวเห็นเสียงตัวได้ยินดินสีถูกจมูกตลอดถึงสัมผัสอารมณ์ที่เกิดในใจทางสังวรแล้วมันจะต้องจิตห่องกับสัญญาอารมณ์นั้นนั้นเราสังวรเอาไว้ เห็นกวดทำให้ศาสรแต่สักว่าเห็นเท่า น, นั้นอย่าไปคิดไปปรุงกว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเป็นไปเผื่อทางโลกทางสงสารถาคิดกวาคิดเพื่อจะแก้ไขปรับปรุงใจของตัวให้ลืมหลงให้เกิดปัญญาละถอนความจิดของของใจมันเป็นอุบาย ของแต่และท่านที่จะพิจารณากันเพราะตาก็มีหมูก็มีใจก็มีตาดูเห็นแล้วก็อพิจนี่พิจารณาข้อไปถึงภายในของมันอย่าดูแต่ผิวหนังนอกนอกรดูผิวหนังดูคนเจ่าคนแจ่ดูคนป่วยคนไข้มันก็ไม่เป็นไรไม่เอยเปิดกำหนัดกินดีอะไรถ้าดูเหตดตรงกันข้ามสาวๆหรามันมกักอยา อยากปรุงไปอย่างนั้นอย่างนี้มันไปทางโลกโดยส่วนใหญ่มันไม่คิดถ่าจะวกวนไปถึงความจริงของมันว่าชาติขันอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเกิดขึ้นมาจากอสุจิอสุพังอยู่ได้ก็อยู่ได้ด้วยความเ <c oughs> ห่าความเหม็นของมันมใรมันอยืดด้วยความสะอาดสะอาดอะไรอย่างายของพวกเราท่าน อาหารการฉันบอลวนแป่ท้องบูดท้องเน่าไม่ใช่ท้องดิบท้องดีกิงเอาไว้มันกลินเน่าก็มิน้นเพราะถูกเสือผ่าหรือถูกเนื้อถูกตัวเข้าก็แสบสกปรกแต่เราก็นิยมกินกันเรารทาดฉันมันอยู่เดือดท้องสกปรกอย่างนั้นทาดฉันมันจริงเป็นท้องปฏิกูลของสกปรกอาหารจะดีเด่นขนาดไหนเกี่เอาออกไปในปากถูกมูลฟันถูกน้ําลายเท่านั้นะทายออกมา เราไปถขายจิตไหนขายไม่ออกตัวเองก็ไปยยอมที่จะเอาเข้าไปอีกนี่แสดงว่ากายมันสกกระปกมากเราพิ่จะนาไปทางศกกระปกทางในสะอาดของกายจิตที่มันคิดตรุงว่ามันสวยมันงามมันก็หดตัวเข้าเพราะหล่างกายทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะดีจะวิเศษไหลออกมาตามเนื้อตามตัวตาม สวรรค์ต่างๆตัวร่วนแต่ที่ไม่มีอะไรเป็นของดีของดีค อ, อ, อ, อยที่จะเป็นราคาซื้อขายกันได้ทีนี้พี่เจนาหาทางสอนใจตัวเองอย่าปุ่งอย่าพุ่งอย่าคิดอย่านึกไปทางนอกเกินนขอบเขตของอัดขอ ง, อของทมการไม่ระวังรักษาจิตใจนั่นแหละทำให้เหือห่อเฮเพลินหหลงไหลในอัดในทำ เราตั้งบอลรักษาเอาไว้ใจของเราที่เคยเห็นผ่านใปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆพอมันฝุดขึ้นเกิดขึ้นจากภายในของราบมันห้ามกันเอาไว้ดึงเอาไว้เราเคยคิดเคยปรุงเคยยุ่นเคยเกี่ยวเรื่องสัญญาอารมณ์อันนี้มาระยะนานปีจิตของเราที่ไม่สงบ ไม่เย็นทำเพราะเราเชื่อเราปล่อยเรื่องจิตยอย่างนี้ถ้าเราไม่เชื่อไม่ปล่อยเรื่องเหล่านี้เราตั้งหน้าตั้งตารักษาปฏิบัติในอจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราต้องสงบเราต้องเห็นต้องเย็นในภายในของเราอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราเชื่อเรื่องพวกมันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีวันเยลาอยู่ในวัดในวัดแต่เจียงตายแต่ใจมัน แข่งขว่างไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆไปคิดในของที่พระพุทธเจ้าเหมยสอนฉลาดในทางโลกแต่ไม่ฉลาดในทางธรรมจิตจึงไม่เช้นอาจเช่นทาให้อยู่ในโลกในตรงสารจัดมันก็อยู่ได้คิดได้ปรุงได้ไม่ใช่ว่าจะ เป็นองของวิเศษประเสรฐอะไรเรื่องที่เหลือกันหามาณทิพฐิใน ม, มีโรงเรียนสอนกันแต่มันเกิดขึ้นในสันดานของสัตว์ของอาศัยการปฏิบัติกําจัดโดยอาจโดยทำมันจึงจะตกออกหลุดออกทางพิเจณาทําลายใจนั้นมันอาศัยสติอาศัยปัญญาของตัวพิเจณา <c oughs> เรื่องของกายเป็นเรื่องสําคัญ เพาะความหลงหลงตายแท้จึงยกกายถึงเป็นต น, นเหตุเป็นทางเดินของจิตพิเจเญนาความอันนี้จังความทนใดยากความบอกไม่นอนสอนไม่อยู่นี่คือเรืงง่องของการพิ่เจนาอันนี้จังนั้นเราจะพิเจเญนาเมื่อไรมันก็พ อ, พ, อพิจนารณาได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอันนี้จัง อยงลมหายใจออกเข่าก็เป็นอั น, นิี้จังมันออกกมันตายมันเข่าก็มันเกิดอยู่อย่างนั้นแต่เราคิดอเอาแต่เพียงแค่นี้จิตใจไม่เลยไปปรุงไปคิดเรื่องอื่นจิตมันก็อยู่กับลมหายใจของตัวมันออกมันเขา่ามันก็ตายมันเข่าม่ออกมันก็ตายจิตของคนจะเอาหนุ่มเอาสาวเอาแข็งแรงมาเป็นเครื่องวัดไมด่ได้หมดลมหมืออะไรมันก็ตาย จะอ้วนส่วนขนาดไหนมันก็ตายจะพร้อมขนาดไหนมันก็ตายแต่ยังมีลมอยู่มันก็ไม่ตายนี่คือเรื่องอนิจจังมันเจนอยู่อย่างนั้นก็เพราะจิตของเราหลงว่าอนิจจงความจริงมันเป็นนิดจังคือมันเจนนิดอยู่อย่างนั้นความไม่เที่ยงนี่คือจะแก้จิตใจของตัวจิตไปสําคัญมั่นหมายว่ามันเป็นหญิงเป็นชายมัน ทนทนแหนนอนอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าพิจารณาถึงเรื่องอั น, นิี้จังเข้าไปแล้วมันแก้ไขจิตใจสี่ไปคลองจิตว่าเป็นของกิรังอย่างยืนแล้วจิตจะเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นนิจจังคือหน้าจิตของมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปอยู่อย่างนั้นทำว่ า, าอั น, นิีจังเลยแก้ จ, จิตสี่ลุมหลงเท่านั้นถ้าจิตเข้าไป เห็นตามเป็นจริงมันเป็นนิจจังไม่ว่าเรื่อง่าเรื่องขันเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆมันเป็นนิจของมันอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อหลงมันก็เป็นทุกข์ทุกขังมันนิดไม้แต่ขังอยู่ที่อื่นมันขังอยู่ที่คนหลงนั่นะอานาตตาความบอกไม่นอนสอนไม่ได้มันใจไป ย, ยึดอยากจะให้มันเป็นตามตัวคิดตัวนึก ตัวต้องการแต่ความจริงมันเป็นไป ต, ตามหน้าที่ของมันอยู่มันไม่เลยหลงไหลใฝ่ฝันตามความนึกคิดของเราเนื้อมันไม่อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการก็เลยถือว่าอนัตตานี้คือทางปัญญาพิจรารนาขาดขันใครพิจรารณาไม่าจเทไรใจก็ยิ่งจะเห็นตามเป็นจริงเท่านั้น เขาทำนาทำสวนเขาทำในที่ดินไม่้ทำในที่อื่นแต่ผลเกิดขึ้นก็เป็นฟองเขาเี่เราพิจารณาถัดขันจะพิจารณาแบบอนิจจังทุกครังหน้าตาสุภาพสุภาพถูกทั้งนั้นเพราะให้พิจารณากันจริงจังให้จิตยังเขาไปถึงอาจถึงทำถ้ามันไปถึงอาจถึงทำได้เป็นถูกต้องถ้ามันไปเกิดกำหนัดยินดีสงสัยลังเลยอย่างนั้นอย่างนี้ คือยังไม่เข้าถึงทำให้ใจมันไม่สงบใจมันไม่สบายเพราะเกิดขัดข้องวุ่นวายเกิดความสงสัยลังเลในตัวถต่มันเห็นตามเป็นจริงมันเข้าถึงอาจถึงทำแล้วมันไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยไม่มีอะไรเป็นปัญหาเหลื่อมของโลกเพราะจิตของตัวเห็นตามเป็นจริงนี่มันเป็นปัญหาสําหรับเราที่ไม่มีปัญญาเห็นแจ้งในสิ่งต่างๆ จงมันกำหนดที่นี่พนะี่เจนาเรื่องของกายมันอยู่ทุกวันทุกมีอยู่ทุกวันทุกเวลาเอาจาพี่เจนาเราจ เ, นะเราจอดูเหมืออะไรมันก็เห็นใอจะไปหาดูที่อื่นดูในตัวของตัวเท่านั้นมันก็เห็นทุกใหุ้สาบตามความเป็นจริงของมันอย่าไปว่าทุกมันบีบขั้นบันรอนตัวของตัวมันเป็นของจริงอันหนึ่งทุ ก, กเขาพูใจจาจงว่าอริยสัจ ทุกมันเกิดขึ้นมาจากความเกิดถ้าไม่เกิดแก่เสียตายมันไม่มีเราจงพิจัยนะเรื่องของทุกข์ให้เห็นตามเป็นจริงของมันนี่คือทุกข์ไปจำขันนี่จะทุกข์คือทุกข์เป็นนิดไม่มียาอะไรที่จะรักษาหหายได้ตายแก่ตายตายของคน อย่ยงวันนีเ้เจ็บทุกความเหนียวความกระหายความ เ, เหนื่อย ต, าต่างๆอยา่างวันนี้เจ็บทุกส่วนทุกจร น, นั้นคือโรคไข่ไข่น อ, อกจีจรนโผลมาเป็นบาดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาว ต, ต่างๆนานานะอย่างว่าทุกจอนมันมันก็มีเป็นการเป็นเวลารักษาหายได้เป็นบางรายบางรายมันก็ตายไปอยู่ไม่ไหว ไม่รู้จักวัตถุเพราะความเกิดของตัวหนุ่มห่มมันก็เป็นทุกข์หนังนอนมันก็เป็นทุกข์กินดื่มมันก็เป็นทุกข์ถ้าพูดถึงทุกข์มันมีแต่ก่อนทุกข์ตั้งแต่ขื่นเท้าจนตลอดถึงซีสต์สัตไม่มีที่ไหนจะเป็นสุขในเหนือในตัวของมนุษย์หรือสัก ก่อนของทุกข์เอาจริงจริงจังๆไห้เห็นแล้เป็นก่อนท้องทุกข์ตัวของทุกข์ส่วนสมุทยัยความอยากท้องใจผลเรียกสมุทยัยคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางใจตัวกับปริเทวะทุกขะโทมานะอุปายาหมายถึงทุกข์ทางใจใจของเรา ที่จะเกิดทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยความอยากความไมรู้ไม่เห็นชัดเจนในอดในธรรมทุกส่วนนี้มีทางสี่งจะกําจัดขับไล่ออกไปได้ด้วยอุบายปัญญาศัทธาความเขียนเราพินิตรเจนนะให้เขาเห็นความอยากของใจแล้ความอยากนั้น อยากแล้วมันชมกาธนาหรือไม่่มันได้มามันจะอยู่กับเราตลอดไปหรือไม่คนที่หลงไหลหอบหนีวยึดถอือเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอย่างไรพิจรณาขอบใจเชื่อให้รู้จักแดนเกิดของทุกทางใจ่ังหมดความอยากมันกว่าหมดทุก ขันจึงละเอียกว่านี้โรดพอหมดความอยากของใจอยากอยู่เมื่ออะไรก็ยังหิวอยู่เหมื่อนั้นยังทุกข์อยู่เหมือนั้นท่านอยากอะไรใจจึงจะหมดความอยากนีเป็นปัญหาอยู่นักปฏิบัติแต่ต้องที่นิจพิจารณาความอยากของใจนั้นไม่ว่าอยากในสายโลกสายธรรมแต่ยังอยากอยู่มันก็หิวอยู่ ปันทุกข์อยู่คือมันยังไม่อิม่มในตัวของมันสองพี่เจนะํำราความอยากทำอะไรกับเงอนกันอยากอยาให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้จิดในรวมให้ในสงบให้เพราะความอยากเป็นขาสิจของใจทำไปหรู้ให้คอยใจในสิ่งที่ตัวทำมีสติ รักษามีปัญญาแสอนจิตใจอยู่เสมอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปให้ราบเรื่องของมันเมื่อเรากำหนดจิตของเราอย่างนั้นในมีความอยากอะไรจะนัาทีตของเราทำเกิดทำจิตมันจะสงบให้จะรวมให้ถ้าเรามีความอยากมันไม่ลงไม่รวมให้ แล้วก็ไม่เห็นอะไรที่ดีดีเเกิดขึ้นอยากไปทำเลยความยากไปทำเลยอาจเดทําทําเผื่อกำลัความอยากข อ, อ, องใจตา ม, มาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เป็น เดือดของสัตว์ทั่วไปมันมีความอยากอย่างนี้ภาวะกันหาทำติดตค้อมชอบพออยากในพบทือเกิดมา ก, ก็ไม่อยากแกะไม่อยากตายถ้ามันแก่ก็เกิดทุกข์ผมงอ ก, กว่าหามาผีมา้อนให้มันดำฟันมันหลุดมันหล่นกว่าหาฟันใหม่มาใส่ รักษาเยอะยาขนาดไหนมันก็ไม่ฟังหน้าขี่ตรงมันมันจะเต็นไปเกิดกาแตกสลายของมันเพราะหน้าขี่ของสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้แม้แต่ปวนและแต่สลายจิตใจที่ไปจิดห้องยึดถือก็ทำนองเดียวกันเมื่อมันไหมได้ตามความส่องใจมันก็เกิดทุกข์ขึ้นเมื่อเห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้น ให้เป็นในจิตในใจของตัวจรงจงัอย่าไปยึดไปถือไปหยิบไปยืมมาจากสําหรับตำลารืจากครูบายจังหเห็นไปจากในจิตของตัวถ้ามันเป็นในจิตเห็นในจิตจริงจังแล้วมันไม่มีอะไรความอยากที่เกิดขึ้นในใจแล้วมันสบายมันจะเป็นอย่างไรก็เห็นการเป็นจรงของมันไปอย่างนะั้นความอยากของเราไม่มี หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรหน้าที่ของเราพี่แจน่าค่รเห็นให้เข้าใจตามเป็นจริงอยากได้ถือว่ามันเป็นอย่างนั้นจะถือว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ดีมันไม่งามอยากใจมันดีมันงามมันสุขมันสบายทุกความเห็นษาบว่ามันเป็นทุกอย่างแต่หมดไทยความอยากความใจก็ให้ทับไล่ออกไปเมื่อมันหมดความอยากความยึด มันไม่มีปัญหาอะไรพูดง่ายๆความสบายท้องใจความเบาท้องใจก็เหมือนน้นำลายของเราสิทมออกไปเราไม่จิดไม่คล้องไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นท้องดีมีคุณค่ามันจบออกไปแล้วลราก็ในใจอะไรอาวานกับมันใครจะมาเหยียบย่ำทำลายแล้วกว็สบายถ้าเราไม่ถือว่าท้องของเราหรือเ่า เป็นของมีคุณค่าซะละนี่ทางเราพิจารณาถาดุันให้เป็นจริงอย่างนั้นว่าธาตุขันอันนี้ก็เป็นธาตอันหนึ่งเหมือนกันแต่หําลายของเราผุดโผม่ออกไปเป็นยินมเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟในนีีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตให้เข้าใจจริงอย่างนั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรก่อให้รู้เรื่องของมันมันแปรไปอย่างไรก่อให้ทราบ อย่าไปยึดไปถือไปเกาะไปเกี่ยวไปหลมไปหลง ม, มันกว่าสบายถ้าช่างทีร่างกายมันแสบปวนคนทั่วไปเขายึดเขาถือมาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นอย่างนี้แต่ท่านผู้พิจารณาจึงอาจจะทงทํามท่านเช่นเป็นตามกงนของมันเหมือนกันหมดท่านจึงสุขจึงสบายทายในจิตของท่าน อยู่กาสบายจะตายก็ามนห่วงใหอะไรวราความคิดมันเป็นอย่างไรเลทอยใจอย่างนะั้น่คือการที่เจอนะละความอยากพบใหม่ชาติใหม่คือมันจะเกิดต่อไปมันก็ถ้านองเดียวกันมันจะมีอะไรผิดแต่กแตก ต, ต่างกันพบมีชาตินี้นก็ให้ทุกให้โทษอยู่อย่างนี้เรื่องของาขาด้องขันถ้าจะก่อพบก่อชาติอีกมันก็ท้านองเดียวกัน พอาถาดขันอันเดียวกันจะไปหลงถาดไหนพบใดว่ามันยิ่เสษยสุ่โสมันไม่มีที่จะเกาะจะอาศัยราวะการหาทํามค่องในพบในถายมันก็ต้อ อ, อกไปยึพราว่ากันหาควาไม่ชอบจิตชอบใจยินดีเหลื่อมใสกับความเป็นจริงของมัน มันจงเกิดทุกข์มันแก่ก็ไม่อยากให้มันแก่แล้วเกิดมาทําไมมันเจ็บก็ไม่อยากให้มันเจ็บความไม่อ ย, ย, ยากทําให้เกิดทุกข์ถ้าเห็นตามเป็นจริงและอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่พูดไปเห็นไม่ใช่พู้ไปเป็นอย่างนั้นผู้ไปเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของขันต่างหากรูปประชัน เยชนาขันสัญญาขันตั้ง ข, นขนนานขันวิญญาณขันเมื่อเราเป็นฝัดเป็นบุคคลขึ้นมามันมีขันทั้งห้าขันอันนี้มันแสดงตามหน้าที่ของมันแต่ผู้รู้อย่าไปลุ่มหลงตามเรื่องของขันมันจึงไม่เกก่อทุกข์ในจิตในใจนี่คือการพิจารณาธรรมการแจกให้จิตใจของตัว อะไรแก้ไขเลยไม่มีทางที่จะสงบระงับใหเหดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดไปแกขนาดไหนมันก็ยังไม่อยากตายมันยังอยากหาความสุขความสบายไปอีกจะไปหาความสุขความสบายจากที่ไหนเพราะก่อนอันนี้เป็นก่อนคุกจะหาเท่าไรมันก็ไม่เจอไม่เห็นให้เหมือนกันกับหาเหลือดในตู้เลือดมันไม่มีจะไปหาเท่าไรมันก็ไม่เจอ เดี๋ยวหาความสุขความสบายจากหาจากขันกวัาจำนองเดียวครับผู้ที่พิจารณาถึงจิตท่านของอาจของทาจริงจังท่านเต็นจริงไม่ได้ยึดได้ถือได้ลุ่มได้หลงเหมือนพวกเราขันจริงสุขจริงสบายพวกเรามันลุ่มมันหลงมันจิตสมมติพว่าดีกว่าดีตามเขา แต่ไม่ได้ทีนี้ก็เยนาว่ามันดีแค่ไหนมันดูอย่างไรเดย๋ัวสรรเสริญกันชมเชยกั น, น, ก น, น, กนว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็หลงไปตามลมป่ากสมมุติท้งโลกหากคนมีอดมีธรรมจริงจังไม่เป็นอย่างนั้นสมมุติก็ถือเอาไว้ไว้จริงสมมติแต่จริงปรมาสเป็นอย่างไรนั้นท่านเข้าใจในขั้นหรืเรามันได้จากขั้นสมมุติ ทำมันตองเหนือสมุติทำอยู่ในวงของสมุติเป่าโดนโลกกระทันอยู่เลยไปในวันคือจะสงบระงับให้ทำมันเหนือสมุติมันจริงในมีอะไรที่จะวันไหวจิตจิตเป็นเสาไว้พุทธสโลกัานะนิหิงจิตตังยัสสารนกกรรมปจิอโสกังวิจจังเกีมังความหมายเพื่อจิต ที่สึบอบรมดีแล้วโดยการสอบพฤติกรรมเข้าใจชัดในเรื่องของสมมุติและลิ ม, มุตในตูถแตมันยั ง, อง่อมจิตจิตละในสมมุติในโลกธรํมอยู่มันไม่มีความสงบให้ไม่มีความสบายให้ น, น, นัการเสริมกาดีหลักกาดียศกาดีสุขกาดีมี่เป็นเครื่องผิด ในจิตในใจของคนถั่วไปของสัตว์ถั่วไปเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่รากธนายากได้เสื่อมลาาเสื่อมยศยินท้าทุกนี่ก็อีกในตากธนาในต้องกร้างและสิ่งเหล่านี้เมื่อมีธาบมีขันมันจะต้องเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมดาของมันคนที่ชอบการใึ้ชั่วเสียขนาดไหนเท่ากัานันนิษฐิน ล่ะมันก็มีตามหน้าที่ของมันยศมันก็มีท่อยื่นสหยงามว่าเป็นพระเป็นสงก็เป็นยศอันหนึ่งยศว่าคนนั้นคนนี้ก็เป็นยศอันหนึ่งแต่เขาว่าหมาเข า, า, าเจ๊ยใจ้างท่านจริงเรานั้ น, มนไม่มรู้ไม่เข้ใจอะไรแต่ใจมันจิไปยึดไปหลง ม, มันถือว่าดูหมิมมมม่นนินทามันจึงเกิดความเสียใจเมื่อเสียใจก็เกิดทุกข์ เขาฉันและเสือให้ดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งทสีตัวไม่มีอะไรมันกระตื้นอีกบ้าอีกทําให้ยินดีทําให้เพลิดเพลินไปตามลมป่าของเขานี่ฉันเดียววกว่าโลกกระทาโรกกระทำแสบเนี่ยมันเป็นธรรมของโลกทุกคนห่านพ้นไม่ได้จะต้องดอนการฉันและเสืนยิงธาการสุกการทุกข์กัน เลยลาบเ่มลาการแลยยศเสื่มยศมันมีอยู่เป็นธรรมดาเป็นอย่างสมบัติของโลกเป็นสมบัติของสมุรแต่จิตของผู้บริสุทธิ์มันไม่อยู่ในวงอันนี้จึงไม่มีความโศกอโศกัรรมหาความโศกไม่ได้เขาเจรัญแลเสริญก่อตามก็าจะนิพพาก่อตามเขาจะขาดก่อตา ม, าาตามความโศกของใจไม่มี พรู้ขอใจตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ยิเรศที่มารบกวนใจเจียงธุรีนิดหน่อยในนี้จิจะทำใจให้หวั่นไหวทำใจให้เดือดร้อนไี่ได้ชัางทันทีเป็นจิตที่แต่เสมเสียมัคือมีจิตที่แต่เสียมอยู่ตลอดระยะเวลา ไม่มีอะไรที่จะมาควบคุมจิตใจของท่านพะหมดเรื่องพวาอยาก <c oughs> ของใจลบลบสมุดออกไปจากจิตใจของตัวได้ใจจึงปลอดภัยใจจึงสงบใจจึงใเสียมใจจึงหลุดพ้นการฝึกอบรมตัวนั้น เป็นเรื่องสำคัญมา ก, ากสา้มองข้ามคนนั่นจะไม่มีทางที่จะบริสุทธิ์จะอยู่อิเรเียบทใดในตัวตายจิตใจของตัวมีปติดูแลให้ทั่วอย่าให้จิตวบเช็ดจิตขล่องกับเรื่องสัญญาอารมณ์รักษามัน เอาไว้เมื่อไม่มีอะไรมารบกวรใจใจมันสงบใจมันสอดภัยใจมันสบายแต่เรื่องทุกของถาดขันนั้นอนนี้ใครที่จะนี้มันไปได้มันจะต้องบีบบังคับเพราะถาดขันมันมีโดยกันทุกคนแต่ท่านไม่ได้หลงตามทุกส่วนนี้ บอกว่าทุกท้องถัดท้องขันนั้นมันหนีไม่ได้เหมือจะมีชีวิตอยู่เมื่ อ, อไรมันจะต้องแสดงตามหน้าที่ของมันแต่ทุกท้องใจนั้นเป็นเรื่องํำระได้รกะคือความโศกท้องใจอย่างนี้ไปรีเทวะความแห่งใจเหนียวใจไม่มีทุกโทรมานัท้องใจอย่านี้ นี่คือเป็ น, าา น, านสุภาวนาสุภิญณาถึงธรรมะผลของมันมีความสุขความส บ, บายอย่างนั้นจนผู้ที่ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นจนพวกเราท่านมันจึงเกิดทุกข์บนจะทุกข์อย่างนั้นบนจะทุกข์อย่างนี้นอยู่เรื่อยๆพยายามทำพระพุทธเจ้าตัวรู้เรื่องของขาดขัง ไปศึกษามาจากที่อื่นศึกษาจากภายในคือใจใจของท่านพวกเราก็มีใจใจเหมือนกันจึงมีทางที่จะศึกษาที่นี่ที่นันะ่หาความจริงให้ได้เราความจริงมันเป็นของจริงอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่จิตที่ไป หลงไหลอยากจะให้มันเป็นไปตามความชอบของตัวนั่นก่อให้เกิดทุกจะหลงไหลขนาดไหนมันเป็นไปตามใจไม่ได้เรื่องผัดขันเข้าไ่เลยหลงไหลสายฝันไปตามเรื่องควาจิดเมื่อไม่ทราบเรื่องของผัดขันตามเป็นจริงมันจึงเกิดทุกเกิดโทษมีการพิจารณา ธรรมะสองพิจารณากายพิแารนาถัตุฉันองตัวเพรอทราบถัตุฉันองตัวถวดถึงเห็นตามเป็นจริงเแ่านั้นโลกอันนี้เลยเป็นโลกแบวิเศ ท, ทั้งทั้งที่เราไม่เด็กเกี่ยวถวดถึงทุกขอบทุกมุมแต่เราก็ทราบว่ามันเหมือนกันหมดข้ามโลกตามโลกจุต ยึมียู่ในใจในว่าชาติในศาลในมนุษย์เศษประบุตรเพิที่ด่เงีหยวื่อตามะโลกยึมอยในใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรถจยุดใจของเราถูกปฏิบัติหนักภาวนารู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ว่ามันเกี่ยกแฝงไปด้วยอ่านี้เกี่ยกแฝงไปด้วยคิดโดยใครความหลงไหลที่เรา เคยลงไหลยึดสัตว์ลงมไหลมันไม่ให้ทุกมันมีแต่ให้ทุกแกผู้หลงไหลทุกกว่าทุกเพราะความหลงแต่ทุกมันนร้องไหล้ลาพันบนเถอนและเมื่อฝันต่างๆก็เ ร, เรื่องสิตัวครอบตัวยึตัวถืออันนั้นมันให้ทุกให้ปวดแต่ตัวที่ปวดเอย จึงได้ที่เราจงวนรักษาเราถือว่าเป็นความดียุติเสกเท่าไรจิตใจยึดเท่าไรอันนั้นให้ทุกข์มากแหากเราปล่อยวางไได้ของ ม, มันมีขาดสาระเท่าไหรหายไปเราไม่มีการเส้ใจเท่าไรแต่ของ ม, มีค่าหายไปเราเจียใจมากของ ม, มีค่าภายนอกก็ไม่เท่ากับชีวิตของเราตายของเราตายของเรานี่านี้ คุณค่าสาระสูงกว่าซุกสิ้งขาดใจแก่แก่แตายเจ็บปวดเกิดโรคไัยต่างๆมาพร้อมีค่าบ้านเรียงเหยียดสวนต่างๆหายได้เงินทองถี่มีไว้ก็เอามารักษาจะหมดหรือกู้ยืมคนอื่นมารักษาเพราะกายยังเป็นของมีคุณค่าเราจะงวนมาก ขาที่เจนากายให้เห็นตามเป็นจริงของมันสมบัติภายนอกมันจึงไม่เป็นของสําคัญเชาเรื่องของกายแต่ตายตายไปแล้วของเหล่านั้นก็หมดคุณค่าสําหรับตัวเขาตัวเองแต่คนอื่นเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็มีคุณค่าแต่เขาตายไปก่อนละปล่อยวางไปทําเป็นธรรมดาพอเป็นสมบัติของโลกนี่เป็นการมาพบความปิดข้องในรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสต่างๆถ้าหากเราพิจัยนาชำละใจของตัว้วยอาจเกิดธรรมจริงจังเรื่องของฌามไม่กิเลกคือความไข่ในฌามที่เกิดขึ้นจากจิตจากใจมันหมดไปตกไปไม่มีอะไรที่จะมายั่วยุไม่มีอะไรที่จะมาลบกวนตัวเองส่วนวัตถุฌามสรูปเสียงกลิ่นรส ภายนอกมันก็มีอยู่เป็นธรรมดาของมันขาเราไม่ไปเกี่ยวข้องถูกพันไม่ได้ไปยึดถือมันก็ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษหนี่คือการที่เจนะชาระใจเพื่อตั ด, าดขาดเรื่องตรงกลางมันชาระได้ด้วยการที่เจนะผักหันทของสุข ว, ว่ามันควรยึดมัน่นยือมัน่นมันเป็นของสกปรกหรือเป็นของ สะอาดมันเป็นของอย่างยืนเนี่เป็นของแปรปรวนมันให้สุขหรือมันให้ทุกข์เยนาให้่วในตัวเท่านั้นมันก็ดับได้อย่ความปรุงท้องใจความคิดท้องใ จ, ใจที่ไปติดไปยึดเราหลงมันแต่มันสุขมันสบายมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้เดีย๋วยวสมมติของโลกถุใจยึดมาถือมา มันก็ไม่แตกอะไรกับหมามันแทะกระดูกมันยังลืนดําลายของมันไอคนเสพกามไม่อย่างนั้นยิ่งกว่าหมาแะกระดูกได้อีกไม่มีวันใดที่จะมีความสุขความสบายฮะใจไม่หลงแตใจมันหลงเกิดไปเท่าไรมันก็เกิดควาเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียไปเท่านั้น มันไม่มีอะไรที่จะทําให้ร่างกายสดใสสวยงามขึ้นแต่มันก็หลงกันว่ามันดีอย่างนั้มันชอบอย่างนี้พราจิตมันไม่มีอักขมมันไม่มีของดีกว่านั้นมันเลยไปจิตในสิ่งเหล่านั้นจิติตจิตปรุงอย่างนั้นสัตทั่วไปมันก็เป็นไปได้อันจริงว่ากามาพบไม่ได้หมายแค่มนุษย์ถ่ายเดียวเจ็พระบุตรเทพระดาที่เจ็บการกว่ายิ่งอว่ากามาพบสัตว์น้ําสัตว์บก เขเสียความเขาถือว่าตามมาพบเหมือนกันคนที่หลงห <c ười> ล, ลงฝ่ายฝันในเรื่องอันนี้มันเหมือนกันมันไม่มีอะไรดีกว่าสัตวแต่เราถือว่าเราดีกว่าเขามันจะดีอะไรมันจิดจิกข้องในท้องกระโปงจิกข้องในท้องมีมีสาระเราจ้องพิจาราอะไรมันจิดขอ้องก่อใจเรื่องของกายนั้นมัน ม, มีความหมายอะไร ที่เจน้นะเขาชื้งใจแล้วมันจียงต่อยเรื่องของตามได้หากจากตามไปได้หายจากเรื่องของตามพระพุทธเจ้ากา็ถือ ว, ว่าผู้เห็นธรรมผูดถึงธรรมเพรเรื่องของตามเป็นเรื่องใหญ่โตไม่ใช่ของเล็กน้อยมันติดมานับพบนับขาดไม่ได้ นับกับนับกันไม่ได้เวลากัวเสร็จโผล่ทำอานังทำอะไรจะประเสริฐยิ่งกว่าการพ้นจากตามไปมันไม่มียอดของทำเวลาฆ่าทำคือความไม่กำหนักไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินทั้งทั้งทีนโลกทั่วไปเข้าลุ่มหลงกันก็เรื่องของตามแถานั้นในเรื่องอื่น เราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ยินวุ่นสะแบงหาก็เพราเรื่องข้องตามไม่ใช่ เ, เรื่องอันอื่นแต่ตัดเรื่องข้องกามได้ใจมันจึงสุกจิงสบายไม่ใัยอันตรายสําหรับใจการที่จะเห็นเรื่องของ้องกามเป็นที่เป็นภัยก็ต้องพี่จเจนะเรื่องต่าง คือเราเห็นหรือตาได้ยินหรือหเขาจีเสียบกลามยินดีในกางเขามีความสุขความสบายกันแข่ไหนถ้ามันสุกมันสบายกันจริงจังเขากู้เจ้าเจ้ามีบริษัทบริวารสนมต่างห้าหมื่นหกหมื่นทำไมท่านยิ่งเบื่อหน่ายยาสารกุณบุตรหนีไปตเฉพาะความเบื่อหน่ายเรื่องข้องกลามเห็นเรื่องข้องกลามมันเป็นของดีวิเศษจิต ถิมันมีกิเลสมันหลุ่มหลงมันถือว่าดีแต่เมื่อมันเกิดเบื่อหน่ายมันมีธรรมะขึ้นแทนถี่จะไปกำหนดยินดีในรูปเหล่านั้นท่านไม่เคยกำหนดยินดีท่านอยู่ในหมู่คนเหล่านั้นเหมือน ก, นกันกับอยู่ในป่าช้าที่ดิบไม่ได้ถือว่าอยู่ในป่าสาราสว่างอยู่ในบริษัทบริวารหน้าเผื่อเชินท่านไม่ได้คิดอย่างนั้น ผ่านจุนี้ไปได้นี่เราไปเก็บเอาของขิงสืบพระพุทธเจ้าขินไปแล้วว่าเป็นของดีถ้าพูดถึงธรรมดาคนเกดเอาของหน่ยมีสานะประโยชน์เอาของขิงมาประดับประดาว่าเป็นของมีคุณค่าเขาก็ถือว่าบ้าไม่ใช่คนดีเพราะขงไปแล้วโยนไปแล้วไม่เอาแล้วเรานํา ม, มาประดับประดาถือว่าเป็นของสวยหรู โกเกอย่างนั้นอย่างนี้มีความคิดจิตของผู้ช่วยชนธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันถึงขั้นขอวงทำมันจะเห็นในตัวของตัวเองการหลงไหลในเรื่องของกามนั้นมันเป็นขัดไม่ใช่เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นผู้ดีวิเศษในธรรมจักท่านก่อเกล่าวไว้นิโนคโมโปซึ่งเป็นตักกวนาฬิย นี้นะคือของต่ำช้าตามมาสุขันธิการนุโยกทำโมเป็นผีต่างข้องบ้านใ่ใ่ผู้มาบวชจะไปคิดไปปรุงอนาริโยในใจทางของพระอริยะเจ้าการสอนเอาไว้กานบอกเอาไว้ แต่พวกเราถึงมาบวชเป็นพระที่สู่สามาเนนเป็นเหตที่ปรเสริฐก็ยังคิดบ ก, ก่ยวข้อมกันไปในเรื่องของกามอยู่ไม่ได้เห็นว่าเรื่องเหล่านั้นสัดทั่วไปไม่ว่าสัตว์น้ำสัตว์บกมันก็คิดได้คิดได้คิดคล่องได้ไ้ชอบของเหนา่าของเหม็นของม่มป็นสาระเราก็บ้า ไม่ได้แก้จิตสอนใจของตัวปล่อยให้มันไหลไปพวงไปในทางชั่วมันจึงเขาเอาเขาเอาไม่มีวันใดที่จะสงบสุขให้ไม่มีอาจมีทมในใจอยู่ในวัดก็อยู่ตั้งเดียใจแต่เขากราบเขาไหว้ต่อตัวเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอาจทำแต่จิตที่มันคิดมกไปอย่างนั้นทขไมนี่ละอายตัวทั้งทีตัวชั่วตัวเสียเป็นขโมย ตูดคนนั้นตูดคนนี้อยู่เรื่อยๆมันเหน่อยไที่อื่นใจมันบกมันวนอยู่เหมืนอมนแมลง ว, วันตอนข้างหน่อข้องเหมนอย่างนั้นทาไมนี่ตระหั้งเหตใจเราเห็นข่าเรืองเหรเ้ามาถามมาว่าหว่าเราดีเราพิเสแล้วต ห, หาทางที่ไม่พิจาาสอนใจ ในอย่างนั้นมันจะ ม, มีทางแก้ไขถ้าเราสอนใจของเราได้เยนาตายจของเราถอดถึงมันต่อรูตลอดอย่างอาดีตอนาคตเพราะความแก่ความเจยบ ค, ค, ความตายนั้นมันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราอยู่ปัจจุบันเป่นอย่างไรอดีตที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังไหนมาถึงมันเหมือนกัน